ฮอว์กิงเนี่ยก็ไม่ใช่นักศึกษาที่แบบเนิร์ดไม่ใช่เด็กที่สนใจเรียนไม่ใช่เด็กที่แบบว่างเข้าห้องสมุดเลยไแบบนะั้นไม่ใช่เลยนะเป็นเด็กกินเกลียนแล้วความเกลียนของฮอว์กิ้งเนี่ยก็อยู่มาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยนะเป็นตำนานเลยนะไอการขับวีลแชร์ของเขาเนี่ยแต่ที่สําคัญที่สุดจริงๆผมคิดว่าเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจฟิสิกส์ทำให้เด็กสักคนนึงในประเทศไทยอย่างผมเนี่ยได้สนใจฟิสิกส์แล้วผมสนใจฟิสิกส์ผมก็เรียนฟิสิกส์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 ตัวไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคหรือว่าขัดขวางในการศึกษาค้นคว้าหรือสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของเอกภพหรือเปล่าก่อนที่จะรู้จักแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของสตีเฟนฮอว์กิงในวันนี้ในรายการใดๆในโลกลนฟิสิกส์นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังลังเลที่จะตอบคําถามนี้ค่ะแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องราวของเขาแล้วอาจจะมีคําตอบในใจเกิดขึ้นในใจของคุณก็ได้นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับฟังรัฐเทโรจิตพนาค่ะ และผมปองแปงอัดวรงจันทมาศครับน้องฟางฮะให้ให้น้องฟางลองจินตนาการนะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองจินตนาการว่าถ้าร่างกายเนี่ยไม่สามารถขยับได้อย่างที่น้องฟางได้เปิดรายการไปนะพูดก็ไม่ได้คือจริงๆคือขยับไปนิดหน่อยนะโหชีวิตมันจะมันจะเป็นยังไงน้องฟางว่าเป็นไงฟัง ว, ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าทั้งร่างกายนะพี่แค่สมมุติว่าเกิดเราขาเจ็บแค่นิดเดียวแล้ว อ, ออกไปไหนไม่ได้เราน่าจะรู้สึกแบบอึดอัด ผมตกบันไดอ่ะแล้วขาข้างหนึ่งอ่ะพอเท้าอ่ะมันแผลงบวมอักเสบอ่ะยังทรมานมากเลยอันนี้ขยับไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ซึ่งเนี่ยคืออาการของคุณสตีเฟนฮอว์กิ้งที่เรารู้กันดีเนาะที่เราจะเห็นภาพของเขาหรือเวลาเราดูเห็นบิวแชร์ใช่ก็จะเห็นการที่เขาเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแล้วก็พูดไม่ได้แต่ความน่าทึ่งนะคือมนุษย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นนะแต่จิตใจและสติปัญญาของเขาเนี่ยกลับ เหมือนกับทะลุออกไปจากร่างกายพันธนาการแห่งเนื้อหนังแล้วไปสำรวจสุดขอบความรู้ของมนุษยชาติได้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากและต่อให้เราตัดเรื่องของฟิสิกส์ออกไปทั้งหมดมนุษย์ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพนี้ได้มันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเรื่องนี้มันน่าจะสร้างพลังใจให้กับคนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะทางใดทางหนึ่ง จริงๆแล้วเรื่องที่กระแทกใจกี่กับสตีเฟนฮอว์กิ n งที่สุดในชีวิตของผมก็อาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมปี2018ค่ะ14มีนาคมเป็นวันแห่งฆ่าพายเป็นวันเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะและในวันนั้นคุณสตีเฟนฮอ a w กิ้งเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับในปี2018ซึ่งก็ถือเป็นวันที่โลกวิทยาศาสตร์โลกฟิสิกส์แล้วก็ทั่วโลกนะครับที่รู้จักคุณสตีเฟนฮอวกิงเนี่ยเศร้าโศกไปพร้อมๆกันแต่ประเด็นก็คือว่า อัฐิของสตีเฟนฮอวกิงเนี่ยถูกเก็บรักษาะ ค, ะคือฝังไว้ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์อยู่เคียงข้างกับชาวสตา์วินผู้สร้างทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติะนะครับแล้วก็เคียงข้างไอแซคนิวตันมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกฟิสิกส์แล้วก็ที่หลุมฝังศพของเขาเนี่ยมีสมการสลักเอาไว้มสมการที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลุมดำแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณ สตีเฟนฮอว k กิงว่าทำไมเขาถึงยิ่งใหญ่พอที่เขาจะได้อยู่เเคียงข้างกับบุรุษที่ชื่อไอแซคนิวตันกับเชฟสตาวเวต์ฟังว่าสำหรับคนทั่วไปอ่ะเขาคือตำนา น, นพี่บอกแปงแปว่าคือเขาแมสมากนะหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องมีความรู้เรื่องฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเราเห็นหน้าเขาหรือพูดชื่อเขาเราก็จะนึกออกว่าเออคนนี้แบบยิ่งใหญ่แต่ทีนี้คาถามที่ฟังอยากอยากถามพี่บ้อแปงก็คือ เรารู้ว่าเขาไป็ําำนานแต่จริงๆแล้วเขาศึกษาเรื่องอะไรหรือว่าเขาแบบช่ำชองในในด้านไหนเป็นพิเศษค่ะพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกาลิเลโอเลยกาลิเลโอ <g all ile o> เป็นนักฟิสิกส์ <c oughs> นักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์นะฮะเรเคยทำตอนเขาด้วยใช่ไม <c oughs> ใช่ใช่กลับไปดูกันนะฮะก็ถือว่าปฏิวัติองค์การฟิสิกส์หลังจากกาลิเลโอเสียชีวิตได้สามร้อยปีเด็กน้อยคนหนึงก็ถือกําเนิดขึ้นมานั่นคือสตีเวนฮอว์กิง เกิดขึ้นมาที่อังกฤษในยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อน<ๆ>ก็จะตระเวนไปตามที่ต่างๆประเทศต่างๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคุณฮอว k กิงเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนทั่ ว, วไปไม่ได้โดดเด่นวือหวาอะไรนะักนะแล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่ที่เขาอาศัยอยู่คึอ ค, คเพมากๆทั่วไปมากๆดูไม่น่าจะ เหมือนเด็ก ป, ปกติทั่วไปปกติมากๆทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับแต่ทีนี้พอคุณพ่อเนี่ยทำงานด้านวิชาการแล้วก็สตีเฟนฮอวกิงเองก็ถือว่ามีแววแห่งความปราดเปรื่องขึ้นมาอยู่บ้างพ่อก็อยากให้เรียนอะไรครับให้ทายเด็กเรียนเก่งๆอยากให้เรียนอะไรต้องไปเป็นหมอปะอ่ะพ่อก็อยากให้เรียนหมอนะครับคลาสลาสิกนะฮะ ค, คือยุคนู้นจนถึงยุคนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่คลาสสิกนะ แต่ฮอคกิ้งเนี่ยอยากจะเรียนทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอยากสนใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะเขาก็เป็นเด็กที่สนใจธรรมชาติมากเลยก็ทะเลาะกันแล้วก็หาจุดลงตัวสุดท้ายก็มาเรียนด้านฟิสิกส์อยู่ที่อ็อกซฟอร์ดฮอคกิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่นักศึกษาที่แบบเนิร์ดไม่ใช่เด็กที่สนใจเรียนไม่ใช่เด็กที่แบบว่างเข้าห้องสมุดเลยลแบบนะั้นไม่ใช่เลยนะคือ h a w k ิ้งเนี่ยมีความรู้สึกใครไปดูรูปสมัยเขาหนุ่มๆเนี่ยจะพบว่า<ะ>เขาห่ามมากมคือโพสท่าแต่ละท่าเนี่ยแบบ คืไม่ใช่เด็กเนิร์ดอ่ะไม่ใช่เด็กเรียบร้อยไม่ใช่เด็กแบบอยู่ในร่องในรอยในเกาะเป็นเด็กกลนเกลียนแล้วความเกลียนของฮอกกิ้งเนี่ยก็อยู่มาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นตํานานเลยนะไอการขับวีลแชร์ของเขาเนี่ยความที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าฮอกกิ้งรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นเด็กเนิร์ดมากๆเนี่ยมันดูไม่เท่เ้าก็จะไปทํากิจกรรมกับเพื่อนเยอะมากแฮงเอาเยอะมากแล้วก็ อ, อยู่ชมรมภายเรือ แล้วก็นี่แหละคือไม่ได้สนใจเรียนขนาดนั้นแต่ใช้ชีวิตสนุกนะเอนจอยมากแต่ว่าภายใต้ความเอ j นจอยนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมักจะสังเกตเห็นว่าเขามีสติปัญญาเกินเพื่อนเกินระดับมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าบางทีเหมือนเขาแบบใช้เวลาทำกันบ้านนิดเดียวแป๊บเดียวเสร็จละอะไรแบบนั้นเ่ะ่อนๆะรู้ฉลาดมากเลยนะฮะทีนี้ฮอวกิงเนี่ยเรียนมาด้านฟิสิกส์เนาะ ก็จะต้องเผชิญกับคําถามใหญ่ว่าเขาจะเจาะลึกไปทางด้านไหนดีซึ่งในเชิงทฤษฎีอาจจะแบ่งได้หลักๆในช่วงนั้นฮิตๆกันมี2ด้านด้านแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจักรวาลวิทยาก็จะศึกษาเอกภพในระดับภาพรวมใหญ่ๆเลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าฟิสิกส์เชิงอนุภาคฮอว์กิงตัดสินใจที่จะไม่ศึกษาฟิสิกส์เชิงอนุภาคแบบเจาะลึกเพราะว่าฮอว k i n g มีความรู้สึกว่ามันสับสนวุ่นวายมากอนุภาคใหม่ๆเนี่ยเจอกันบ่อยเหลือเกิน ท่องชื่อกันทีเหมือนกับเรียนชีวะต้องไปท่องชื่อสัตว์ที่ค้นพบใหม่ชื่อเพื่อชื่ออะไรเ้าพูดแบบนั้นเลยนะแบบสับสนวุ่นวายไ ม, ไ, มไม่โอเคในขณะที่จักรวาลวิทยาเนี่ยแก่นของมันจะอยู่ที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งมันมีความแนวคิดของทฤษฎีนี้มันมีความชัดเจนมีความแบบเป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนมากมีอะไรนะให้ยึดเกาะในการศึกษาชัดเจนมากเหมือนที่ผมบอกเหรว่าผมไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องอนุภาคเพราะมันซับซ้อนมากอม สุดท้ายเขาก็เลยเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาค่ะเชียวสุดท้ายเขาก็มาเลือกทางจักรวาลวิทยาใช่แต่ตรงนี้ขอเบรกนิดนึงผมไม่ได้ชี้นําว่าในการเรียนการสอนหรือว่าการเลือกทางชีวิตอ่ะนี่คือนี่คือวิธีที่ถูกที่ดีเพียงวิธีเดียวเพราะว่านักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือคุณสตีเฟนไวเบิร์กเคยพูดไว้ว่าในการศึกษาเรื่องฟิสิกส์หรือการจะค้นหาอะไรใหม่ๆอ่ะ คุณต้องวิ่งหาความวุ่นวายแล้วไปจัดระเบียบมันอืมอ่าคือปรัชญาตรงข้ามกับเขาแล้วไวเบิร์กเนี่ยก็เป็นปรมาจารย์ฟิสิกส์อนุภาคที่ได้รางวัลโนเบลนะฮะคือถือว่างานวิจัยล้ำๆเนี่ยออกจากไวเบิร์กเยอะมากวิธีคิดที่ที่สองผู้ประสบความสำเร็จสคนคิดอะบางทีมันมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันบางทีทางชีวิตมันแล้วแต่คนมากพอสมควรอืมออย่างเงี้ยตรงนี้รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่า ที่พี่ปองแปงบอกมุมมองเมืเ่อกมันก็ทําให้เห็นว่าสิ่งที่เชฟชีวิตเขาเลือกชีวิตเขาก็อยู่จากทัศนคติในช่วงเวลานนั้นของเขาด้วยเหมือนกันทําให้เขาเบนเข็มมาทางนี้แล้วกลายเป็นตํานานในแขนงนี้ไปใช่แต่ทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับคือพอจบ ป, ปอตรีก็ไปต่อปอเอสดเนาะคือมาทางสายจักรวาลแล้วแหละแต่ทีนี้ในการทําปอเอสเนี่ยมันจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาที่คุณสตีเฟนฮอว์กิงเล็งไว้เขาชื่อเฟรดฮอย เขาได้ยินเฟร็ดฮอยไหมครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอ่าไม่ดังเท่าฮอว์กิงเนาะแต่จริงๆแล้วเฟรดฮอยในวงการฟิสิกส์ถือว่าเป็นในยุคฮอว์กิงเหมือนเป็นเอลวิสอ่ะอ๋อเหมืนเป็นคุณ ล, ล่ามากคือดังมากระเบิดเทอรเทิงเลยนะดังทั้งในเชิงนักฟิสิกส์ดังทั้งในทางพัฟฟิคเอาเรชคือเฟร็ดฮอยดังมากฮอว์กิงก็อยากจะไปแบบทํากับเฟร็ดฮอยคุณเฟรดฮอยดังจากอะไรคุณเฟรดฮอยเนี่ยน้องฟังอาจจะไม่ทราบแต่ถ้าพูดปุ๊บเนี่ยรู้เลย เฟร็ดฮอยโด่งดังจากทฤษฎีเอกภพบที่เรียกว่าสเตติสเตติโอ e รียซึ่งสเตติสเต t ิโอเีเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการที่เอกภพบถือกำเนิดจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งคือคัดง้างกับทฤษฎีนี้<ะ>มีวันหนึ่งคุณเฟรดฮอยไปออกรายการวทิทยุของ BBC <ะ>ก็บอกว่าเอกภพบมันไม่น่าจะเกิดจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งออกมาแบบนั้นนะแล้วเขาคงพูดประชดว่าอันนี้มันแบบประชดด้วยความไม่ชอบ ว, ว่า Big Bang พูดด้วยความไม่ชอบแต่คำมันติดผูมากคำว่าบิ๊กแบง t h e ลี่หรือเอกภพถือกำเนิดจากจุดเล็กๆแล้วก็ขยายตัวออกมาเนี่ยมาจากคนที่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้คือเขาพูดคีย์เวิร์ดนี้ออกมาใช่ด้วยความแบบล้อเลียนน่ะบิ๊กแบงกลายเป็นว่าคนจำได้เลยใช่แล้วคุณเฟร็ดฮอยเนี่ยยังสร้างทฤษฎีที่เรียกว่าสเตลล่านิวคลียร์ินเทิส ฟังดูยากใช่ไหมฟิสิกส์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้บางทีชื่อมันยากไม่ต้องไปตกใจนะครับเวลาเรียนคือชื่อมันยากแต่พอได้เรียนไปเรียนไปเนี่ยอย่าไปกลัวชื่อมันเรียนไปเรียนไปชื่อผมเงี้ยอ่านว่าลงอาจจะดูเข้าใจยากยิ่งจะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งพี่อีกนิดนึงทิ้งไอจเปิดวาร์ปเลยนะฟังว่าอย่าอย่าอย่ะต่อนะทีนี้เอาเป็นว่าเป็นคนดังมากค่ะและเนื่องจากเป็นคนดังมากก็นักศึกษา ก็เข้าหาเยอะอยากจะเรียนเหมือนอยากจะให้คนนี้เป็นที่ปรึกษาใช่โคต้าก็เต็มฮะฮอวกิงก็อดไปฮอวกิงก็เลยได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังยังว่างอยู่ในตอนนั้นซึ่งมีชื่อว่าคุณแดนิสไซม่าแต่นี่แหละครับคือบางทเาีเราพลาดของที่เราหวังไว้มันไม่ได้แปลควว่ามันแย่นะถ้าดูไทม์ไลน์ทั้งชีวิตในภาพใหญ่ะจะพบว่าจริงๆแล้วการที่คุณฮอกิงพลาดคุณเฟรดฮอเป็นเรื่องดีนะทาไมคะ เพราะว่าคุณเฟรดฮอยเนี่ยถ้าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึก ษ, ษาให้ฮอว k กิ้งเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้เด็ก hmm. นึกออกมาเดี๋ยวก็ต้องอัดรายการเดี๋ยวก็ต้องไปบรรยายโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่าจะ ม, มีเวลา ใ, <ค>ให้ น, อน้อย<ป>ใช่แต่คุณแดนิสไซมาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ดีแล้วก็มีเวลาให้มากเลยดังนั้นเขาจะมีโอกาสในการทำอะไรต่างๆกับคุณฮอว์กิ้งค่อนข้างเยอะมาก hmm. ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องดีไปซะนั้น hmm. แล้วการที่ได้อยู่กับอาจารย์คนนี้มันส่งผลต่อหัวข้อที่เขาอยากจะศึกษาหรือว่าการศึกษาของเขาต่อไปใ น, <อ><ค>นี่านะส่งผลมากเพราะว่าในช่วงที่เขาเริ่มทำปริญญาเอกนะฮะฮอว์เนี่ยถูกได้รับการวินิจฉัยละ ว, ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ h อว k i n g เริ่มมีอาการแปลกๆบางอย่างในสมัยที่เป็นวัยรุ่นทามหาลัยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ใช้ชีวิตมหาลัย <c oughs> รู้สึกเป็นคนแบบซุ่มซ่ามผิดปกติคือปกติมนุษย์เราก็ซุ่มซ่ามอยู่แล้วผมเองก็เดินชนนอนชนแต่นี้คือหนักมากนะฮะแล้วเหมือนควบคุมกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ก็ไปตรวจละเอียดก็พบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง<ๆ>กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทสั่นการในสมองกับไขสันหลังซึ่งไม่มีทางรักษาจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เลยมันส่งผลต่อการทำปริญญาเอกเพราะว่าเขาไปปรึกษาอาจารย์ว่ามันมีหัวข้ออะไรที่แบบ พอจะทําได้จบได้เร็วๆไหมเลยเงี้ยอาจารย์ เ, เขาทําทันใ น, ในช่วงในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อาจารย์รู้สึกอาจารย์ไม่ยอมนะอาจารย์เห็นศักยภาพแล้วก็จัดหัวข้อแบบคื อ, ค, อคือไม่ยอ่อหย่อนเป็นอาจารย์ที่ไม่ยอ่อหย่อนแล้วพยายามดึงศักยภาพของเกี่องออกมาเต็มที่แต่เดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องของโร ค, คก่อนะนะฮะคือโรคเนี้ยมันเป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างที่บอกชื่อก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการก็คือกล้ามเนื้อในร่างกายแทบทุกมัดสุดท้ายแล้วจะค่อยๆรีบฝ่อไป รวมถึงที่ควบคุมการสื่อสารการพู ด, พดต่างๆด้วยใช่และไม่ใช่แค่นั้นสุดท้ายแล้วระบบการหายใจก็จะใช้การไม่ได้<อ>ทําให้พอหายใจได้ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยปอดมันติดเชื้อง่ายมักจะมีการปอดอักเสบติดเชื้อเป็นปอดบวมอะไรพวกนี้ซึ่งคุณหมอก็วินิจฉัยไว้ว่า เ, ออเขาน่าจะมีอายุได้ไม่เกินสองปีนะท็อปสปีหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยซึ่งเป็น<ะ>ช่วงที่เขาเริ่มทำปริญญาเอง ฮอลคิงหดหูมาก ม, มันหดหูแบบคือคนที่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตอยู่ตรงไหนอผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแย่แค่ไหนมเมื่อเทียบกับคนที่ไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตอยู่ตรงไหนฮอ k i ิงเนี่ยสลดดีเพรสแล้วก็แบบรู้สึกแย่มากนะครับรู้สึกแย่กับชีวิตว่าโหมันจะยังไงวะเนี่ยและดวงไฟ ดวงหนึ่งที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้ก็คือคุณเจนวายซึ่งเป็นภรรยาใช่หะหญิงสาวที่จะกลายมาเป็นภรรยาของเขาคือตอนที่เขาได้รับการวินิจฉัยนะฮะก็สลดหดหัวเนาะแต่ก็มีวันหนึ่งเขาได้ไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแถวแถวบ้านเขานั่นแหละก็ะไปเจอสาวน้อยคนนี้ชื่อเจนวายเจนวายเนี่ยมองเห็นฮอ w k กิงครั้งแรกก็รู้สึกรู้สึ ก, สกท่าทางแปลกแปลเว้ย เหมือนเป็นคนแบบมีความฉลาดตรัดเปลืองชอบแนวนี้ก็ได้คุยกันคุยกันปุ๊บก็มันจะคลิกกันก็ไปเที่ยวกันดูไปเที่ยวดูโอเปร่าไปอะไรนะครับแล้วคุณเจนไวก็ได้รับรู้ว่าฮาวกิ้งเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เขาก็ตกหลุมรักฮาวกิ้งไปละแล้วท้ายที่สุดทั้งคู่เนี่ยก็แต่งงานกันแปลว่าการที่เธอรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ที่เรารักแบบป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกแค่ ไม่กี่ปีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าความรักของคุณเจนวายเนี่ยผมว่ามันยิ่งใหญ่มากนะมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะแต่ตอนที่เขาไปฮันนีมูนไปเลยเนี่ยเจนวายเนี่ยรู้เลยว่าการใช้ชีวิตกับฮอว k กิ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอืคือหลอนเนี่ยจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ภรรยาเขาจะต้องเป็นทั้งพยาบาล จะต้องเป็นทั้งคนที่คอยให้กําลังใจอะไรทุกอย่างและแน่นอนนะฮะพอได้คบหากันเนคุณเจนไวาให้กําลังใจฮอว์กิ้งตลอดเวลาคือเสริมพลังบวกอย่างไรที่สิ้นสุดอืเพื่อให้ฮอว์กิงเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้และในประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันดีฮอว์กิ้งไม่ได้เสียชีวิตหลังจากนั้นสองปีจริงมอืมเขาอยู่ยามาอีกห้าสิบปีซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าทึ่งแพทย์ก็ค่อนข้างทึ่งเหมือนกันนะที่แบบเออแต่ก็คําอธิบายก็คือร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน นะครับแล้วก็ Hawking ก, ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ได้รับการดูแลดีมากๆคนหนึ่งก็อยู่มาได้นานมากแล้วก็ได้รับภรรยาที่ดีด้วน อ, อคัเพราะว่าถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Theory of Everything เ, ออเราจะซาบซึ้งไปกับความแบบความรักความสัมพันธ์ที่ที่อีกคนหนึ่งอะ่ะแทบจะต้องพึ่งพาอีกคนหนึ่งอะ่ะในทุกๆด้านอะไรเงี้ยก็นับนับถือหัวใจของเขาดูดยังครับดูแล้วค่ะดูตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันที่มันบอกนะ หนังแบบนี้นะผมไม่มีวันดูนะทำํำไมอ่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องของนักฟิสิกส์ที่ไม่ดูหนังเศร้า oh. ชีวิตอะเศร้าอยู่แล้วไม่ต้องการการเติมความเศร้าเข้ามาไอ้อะไรที่ดูแล้วร้องไห้นะสุสารหิ่งห้อยมีวัน mm. บอกให้ดูหนังเกาดีร้องไห้ไม่ดูป่วยเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ดูอ mm. มันยิงๆกันอนะดูอ่ะโอเคแต่แต่แต่มันก็มีอีกมุมนึงที่บ่แปลงว่า ก า, การดูเรื่องแบบนี้มันทําให้ฟังใกล้ชิดกับประวัติของคุณฮอว์กิงมากขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเดิมเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักฟิสิกส์มันดูห่างไกลเนาะแต่ว่าเรื่องราวในหนังอ่ะมันเป็นชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันเลยรู้สึกว่าเราใกล้ใกล้เขาได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังสัทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงหลังๆของชีวิตแต่ว่าชีวิตเขามันไม่เหมือนในหนังใช่ไหมคะ ไม่เหมือนสทัทีเดียวนะนนโดยเฉพาะเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วเราฟังชีวิตเขามาส่วนหนึ่งแล้วนะพี่อเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเขามาดังตอนไหนอ่ะเขามาสร้างตานานตอนไหนในช่วงที่เขาเทําวิจัยเนาะเริ่มทําวิจัยแล้วเขาก็ได้รู้จักกับนักฟิสิกส์ที่เป็นตํานานท่านหนึ่งหลายท่านอาจจะเคยคุ้นหูถามน้องฟางรู้จักโรเจอร์เพนโรสไหมไม่คุ้นหูเลยเซอร์โรเจอร์เพนโรสโรเจอร์เพนโรสเขาืเรื่องอะไรคะโอ้โหเป็นคนแรกๆที่ ศึกษาสิ่งที่เรียกว่า singularity ซึ่งเป็น ส, สิ่งที่หลุดออกมาจากสมการของไอน์สไตนแล้วก็ในยุคนั้นมันเป็นคณิตศาสตร์มากเลยแต่คุณเพนโรสเนี่ยศึกษาแล้วก็ขยับขยายไอเดียออกมาจนทำให้โลกเริ่มเห็นว่าหรือมันจะกลายเป็นในธรรมชาติมันจะมีอยู่จริงที่เรียกว่าหลุมดำะนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณเพนโรสเนี่ยเป็นคนแรกๆที่บุกเบิกเรื่องหลุมดำ และเขาเลยก็ได้รับรางวัลโนเบลเกี่ยวกับการค้นพบหลุมดำในปีหนึ่งด้วยนะสาขาฟิสิกส์คุณโรสชื่อว่าเพนโรสตอนนี้ณวันนี้เข า, าก็ยังมีชีวิตอยู่นะแก่มากๆแล้วและเขามีชื่อเสียงในหมู่นักฟิสิกส์ว่าผลงานของเพนโรสเนี่ยยากมากมยากแบบคือคือฟิสิกส์มันยากอยู่แล้วนะแต่ในความยากนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นยากกับอภิมหาอลังการซูปเปอร์ยากซึ่งเพนโรสอยู่ในระดับ อะไรแ บ, บนั้นออแล้วชีวิตของคุณฮอว์กิ้งมาเกี่ยวกับคุณเพนโรสยังไงคะก็ได้โทกันทํางานด้วยกันในระดับหนึ่งแล้วก็ฮอว์กิงก็เริ่มมาสนใจหลุมดําค่ะแล้วในที่สุดนะฮะฮอว์กิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ได้บุกเบิกสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมเดนัมิกส์ของหลุมดําหรืออุณหพลาศาสตร์ของหลุมดําหรือแปลเป็นไทยก็คือแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีนึ่งคุณสมบัติเชิงความร้อนของหลุมดําำ คืออย่างนี้ลองนึกภาพหลุมดําก่อนถ้าใครยังไม่รู้จักหลุมดําย้อนกลับไปฟังตอนหลุมดำํำ เ, เอาคร่าวๆในตอนนี้ก็คือว่าหลุมดำเนี่ยมันเป็นาซากของดาวฤกษ์ที่ความหนาแน่นสูงมากสูงจนกระทั่งความเร็วหลุดพ้นจากผิวดาวเนี่ยมันเกินกว่าแสงดังนั้นอะไรก็ตามที่ที่ไม่เร็วกว่าแสงเนี่ยซึ่งมันไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงมันจะหลุดออกมาจากขอบของหลุมดําไม่ได้ซึ่งขอบตรงเนี้ มันเป็นก้อนทรงกลมใหญ่ๆดำๆที่เรียกว่า event horizon ะนะใจกลางของมันเป็น singularity และอะไรที่อยู่ในนั้นนี่มันหลุดออกมาไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงเนาะทีนี้นักิที่สิเกิดข้อสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทิ้งของอะไรสักอย่างเข้าไปนในหลุมดำอ่าทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งในวิชาอุณหพลาศาสตร์หรือคุณคสบัิเชิงความร้อนก็คือว่า เอนโทรปของเอกภพเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเสมอ En นโทรปคืออะไรคะพี่เอนโทรปเนี่ยจริงๆมันเป็นคณิตศาสตร์มากแต่อาจจะอธิบายในเชิงทั้วไปได้ว่ามันบ่งชี้ถึงปริมาณความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบของระบบยกตัวอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยอันนี้เป็นแค่คําเปรียบเลยนะคะมีแนน้องจะเข้าสู่ความไร้ระเบียบเลอะเทะลกตลอดเวลาจนกว่าแม่จะมาอพอแม่มาปุ๊บก็ต้องใช้พลังงานในการจัดระเบียบ <laughs> ซึ่งความไร้ระเบียบก็นะ จะเห็นว่าความไร้ระเบียบเนี่ย ม, มันเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้เองอยู่แล้วใน อ, อย่างนี้น เ, เห็น <พบ S 1> ภาพค่ะ <พบ S 1> แล้วเรื่องหลองหลุมดมํามันมีความไร้ระเบียบมาเกี่ยวข้องยังไงคะมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าผมทิ้งเออ่สมมติถังแก๊สถังหนึ่งใส่เข้าไปในหลุมดําถังแก๊สนี้ก็หายไปเลย ม, มันถูกตัดขาดไปเลยอืถูกตัดขาดในลักษณะที่ว่าเราไม่สามารถวัดอะไรเกี่ยวกับถังแก๊สนั้นได้อือย่างนี้ก็แปลว่าความไร้ระเบียบของเอกภพมันลดลงออืยิ่งผมแบบ ทิ้งอะไรเข้าไปทิ้งอะไรเข้าไปมันก็ยิ่งทําให้เอกภพไล่ระเบียบลดลงเพราะขอบของมันตัดขาดจากเอกภพภายนอกอ ม, มันแตกต่างจากการที่เรามีตู้เซฟอยู่แล้วเราล็อกไว้แล้วเราปิดแล้วเราไม่เปิดดูนะเพราะยังไงของที่อยู่ข้างในมันก็อยู่ยยในเอกภพนะฮะเราอาจจะมีวิธีอ้อมๆต่างๆนานานในการวัดของที่อยู่ในตู้เซฟแต่หลุมดำเนี่ยเราไม่สามารถวัดหาอะไรข้างในได้ซึ่งมันถูกบาวโดยกฎฟิสิกส์มันถูก<ะ>ถกฎฟิสิกส์เราห้ามไว้ว่าของอินฟเรเมชั่นหรือที่อยู่ข้างในมันไม่สามารถหลุดออกมาได้ แนวคิดแรกเข้าไปในนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เห็นมันใช่มันเหมือนกับเอ้ entropy มัมันมันหรือความวุ่นวายสับสนเนี่ยมันเหมือนลดลงซึ่งประซึ่งประหลาดมากทีนี้มันมีนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากสําหรับผมถือว่าเทียบเท่าคุณฮอว์กิ้งในระดับหนึ่งเลยนะชื่อว่าคุณเจคอบเบเคนสไตล์เป็นคนอิสราเอลเขาทําการคํานวณแล้วค้นพบว่าหลุมดำเนี่ยมันมีอนโ r o p y หรือความไร้ระเบียบได้ ม, มันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้หายมันเราหลุมดำเองก็มีความแลยละเบียบของมันดังนั้นมันมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ thermo dynamic mm hmm. ในแง่นี้อยู่ mm hmm. นะซึ่งฮอ w k กิงไ ด, ได้ได้เห็นดนงานวิจัยนี้แรกๆฮอว k กิงไม่โอเคนะครับไม่เชื่อแต่ระยะหลังๆมาฮอ w k กิงเนี่ยก็ทำงานวิจัยออกมางานวิจัยของฮอว k กิงเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ล้ำมากแต่เอาเป็นว่าเขาใช้ quantum field บน curve space ก็คือ อ่าสเปซที่มันมีความโค้งรอบๆหลุมดําแล้วค้นพบว่าหลุมดำเนี่ยมันอาจจะแผ่รังสีได้ ท, ทั้งที่มันไม่ควรจะมีไหลหลุดออกจากหลุมดําใช่ไหมแต่มันสามารถแผ่รังสีได้จากการศึกษาของเขาใช่โดยที่กระบวนการนี้เขาก็เรียกว่ากระบวนการแผ่รังสีของ h a w k ิงส์อธิบายในรายละเอียดนิดนึงดีไหมนิดเดียว น, นิดเดียวสัญญาเลยก็คือว่าสุญญากาศที่เราเห็นว่าเป็นที่ว่างในอวกาศหรืออะไรก็ตามน ะ, ะในห้องทดลองอะไรเนี้ย จริงๆแล้วมันไม่ได้ว่างสักทีเดียว mm. สุญยากาศแบบคลาสสิกดั้งเดิมมันจะต้องไม่มีอะไรอยู่เลยแต่สุญยากาศในเชิงควอนตัมเนี่ยมันจะไม่ได้ว่างสักทีเดียวมันจะมีอนุภาคกับปฏิอนุภาคฟลุบเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่านั้นแล้วก็ตุบพุ่งเข้าชนกันทำลายกันจนกลายเป็นที่ว่างอีกครั้งอย่างรวดเร็วมากจนเราเห็นว่าเป็นที่ว่าง mm. และสิ่งนี้ถูกตรวจจับได้ด้วยการทดลองนะ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาจากความบ้างเปล่านั้นนะฮะเป็นเป็นคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคแล้ววิ่งเข้ามาชนกันกลายเป็นพลังงานนะฮะแล้วก็หายไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเราจะเห็นมันเป็นที่ว่างนี่แหละแต่ว่าภายในที่ว่างนี่มันมีการกับเพื่มของพลังงานเล็กน้อยอยู่เสมออตรงเนี้ยมีการทดลองตรวจจับได้ว่ามีอยู่จริงทีนี้ถ้าคู่อนุภาคปฏิอนุภาคเนี่ยมันเกิดบริเวณขอบของหลุมดำละ่ะโอ้โหแปลกน ะ, ะแล้ว บังเอิญว่ามีตัวใดตัวหนึ่งหลุดเข้าไปในหลุมดําอืมไอตัวที่หลุดออกมานี่แหละคือรังสีของฮอลกิงหมายถึงว่ามันหลุดเข้าไปใช่มีตัวใดตัวหนึ่งหลุดเข้าไปแต่อีกตัวหนึ่งอันไ ม, <ห>ไม่ได้ห ล, ดลุดเข้าไปอ่าแต่เนี่ยถ้ามันหลุดเข้าไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งหลุดออกมาข้างนอก oh. นี่แหละคือรังสีรษะของฮอลกิงและไอตัวที่หลุดเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะทําให้หลุมดําเนี่ยมันมีมวลลดลงเรื่อยๆเล็กลงมีมวลลดลงแล้วก็ขอบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเขาเรียกว่า Black Hole Evaporation หรือมันระเหิดแล้วไอสิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยเรียกรังสีของ Hawking ซึ่งมันมีความสำคัญมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าหลุมดำเนี่ยมีอุณห ภ, ภูมิได้ไม่ต่างจาก ส, สารต่างๆที่เราแบบเห็นกันนะฮะคือมีอุณห ภ, ภูมิค่าหนึ่งและมีการแผ่ลังสีไม่ต่างจาก ส, สารต่างๆที่เป็นไปตามหลักอุณหพลาศาสตร์เทอร์โมเดนิมิกเลย แปล ว, ว่าสิ่งที่ฮอว์กินศึกษาเรื่องของรังสีของหลุมดำเนี่ยมันมาเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆ เ, เกี่ยวกับหลุมดําไปด้วยใช่ไหมใช่ก็คือเดิมทีเราเราไม่มีวิธีหาอุณหภูมิของมันเราไม่รู้ว่ามันคำนวณอุณหภูมิได้หรือเปล่าด้วยซ้ำเราไม่รู้ว่ามันต้องเป็นไปตามหลักอุณห์พาราสานหรือมันเป็นข้อยกเว้นหรืออะไรเงี้ยฮอวกินก็คํานวณ ว, ว่าโดยหลักตะ ก, กะแล้วเนี่ยมันจะต้องมันมีอุณหภูมิได้แล้วมันมีเอนโทรปีได้ด้วยหลังๆงานของฮอว์กินก็เลยสอดคล้องกับคุณจาอบนตตแ่ทีี้ ก่อนจะไปถึงการเผยแพร่ก็แล้วกันผมผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าแนวคิดเรื่องการแผ่รังสีของลุมดาเนี่ยช่วงแรกๆที่เผยแพร่ออกมานะนักฟิสิกส์ไม่ค่อยโอเครู้สึกแบบมันมันเพอ้อฝันอนะดูแบบมันไม่น่าเป็นไปได้มันแผ่ออกมาได้ยังไงแต่ด้วยตรร ก, กะและก็การคํานวณที่ชัดเจนของฮอว์กิงมากๆเนี่ยนะครับมาทําให้นักฟิสิกส์ยอมรับแล้วในที่สุดเขาก็ได้รับชื่อเสียงอย่างล้นหลามในวงการวิชาการแต่แต่แต่ การแพ่ลังสีของฮอว์กิ้งเนี่ยบอกก่อนว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการตรวจจับได้นะยังไม่มีใครตรวจจับได้เลย อ, อย่างที่สองก็คือต่อให้ไม่มีการตรวจจับก็ไม่มีใครพิสูจน์แบบชัดเจนว่ามันจะมีจริงหรือเปล่า ค, คือตอนนี้มันยังอยู่ในกระดาษอยู่อยู่ในการคํานวณต่างๆใช่แล้วโดยลอจิกแล้วมันน่าจะมีแต่ทีนี้ถ้ามันมีมันจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่มากในทางฟิสิกส์เรียกว่า black hole information loss paradox อคืออะไรคะ ซึ่งทุกวันเนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะยังไม่จบคืออะไรใช่ไหมผมคิดอยู่ว่าจะเล่าดีไหมเล่าดีไหมนิดนึงไหมนิดนึงแล้วกันก็คือถ้าเราเอาของทิ้งเข้าไปในหลุมดําแน่นอนหลุมดํามีเอนโทรปีมีอุณหภูมิ entropy, มีอะไรนะครับแต่เนื่องจากเราไม่สามารถเห็นของในนั้นได้มันก็เท่ากับว่าข้อมูลของสิ่งที่หลุดเข้าไปอยหลุมดําเนี่ยเราวัดไม่ได้มันเหมือนหายทิ้งไปเลยและยิ่งหลุมดํามันแผ่รังสีออกมา สุดท้ายแล้วหลุมดําจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วหายไปจนหมดเท่ากับว่าข้อมูลของสิ่งที่เข้าไปมันหายไปหมดมันขัดกับหลักการในทฤษฎีควอนตัมที่ข้อมูลมันจะมันหายไปไม่ได้คนก็บอกว่าหรือว่ารังสีของฮองกิ้งเนี่ยมันเก็บเอาข้อมูลของสิ่งที่หลุดเข้าไปออกมาให้ทางออกไว้คือพอตกเข้าไปมันถ่ายเทมาอยู่ที่รังสีของฮองกิ้งนึกออกไหมฮะแต่มันเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่า มันเท่ากับว่างั้นกระบวนการแผลลังสีของฮองกิ้งก็สามารถก๊อปปี้ข้อมูลทางควอนตัมของสิ่งที่ตกลงไปได้จริงจรออิงได้เหรอซึ่งมันมีหลักการตัวหนึ่งที่ชื่อว่า No โคล ning t ทโลเรมเกี่ยวกับทางควอนตัมบอกว่าเราไม่สามารถก๊อปปี้ข้อมูลทางควอนตัมได้มันเลยกลายเป็น па รั dox ใช่ไหมคะเป็นความย้อนแย้งหรือ Para ดดกที่ไม่ว่าคุณจะมุ่งไปทางไหนคุณก็ชนกับตอใหญ่ๆตอนนี้ก็ยังแก้กันอยู่นะอก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถกเถียงกันถึงทุกวันคุณฮองกิ้งเองก็พยายาม แก่ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอยู่เหมือนกันในช่วงลหลังๆของชีวิตนะครับค่ะแต่ทีนี้ฟังจะได้ยินชื่อหนังสือเขาที่บอกว่าเขาขายดีมากอย่างเช่น A Brief History of Time หรือว่าที่เป็นชื่อหนังด้วย Theory of Everything อะไรเงี้ยสิ่งเหล่าต่างๆนี้มันมาในยุคหลังจากที่เขาคิดค้นเรื่องนี้ไปอีกใช่ไหมคะพี่ปองไหมใช่ใช่ก็คุณฮอว์กิงเนี่ยหลังจากโด่งดังในชิงวิชาการแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับตําแหน่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากมีชื่อเสียงมากนั่นก็คื อ, อ Professor l u c a e t i a n นะครับ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไอแซคนิวตันเคยได้รับคุณพอลดีรักเคยได้รับแล้วฮอลคิงส์ได้รางวัลอีกมากมายมหาศาลเลยมีชื่อเสียงมากแต่ชื่อเสียงอีกเรื่องที่ผมพูดไว้ก็คือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าขับวีลแชร์ได้ชวัตดิ์วียนไม่ใช่ทางวิชาการละเป็นทางการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเรียนแบบคือมันเหมือนคนขับรถแย่ <ใ>โดยตั้งใจตั้งใจเพื่อเพื่อนบางคนก็บอกว่าชอบขับลงเนินแบบซิ่งแล้วก็เพื่อนก็ตกใจแบบวิ่งตามไม่ทันแต่บ้าแบบว่าสุดท้ายก็แบบม้วนตัวแล้วก็ยิ้มแบบไม่เป็นไรหรอกอลเลยเล่นสนุกเล่นสนุก อ, อบ้างก็บอกว่าแบบพยายามจะขับไปเหยียบหัวแม่เท้าชาวบ้านอะไรเนี่ยแบบคือเขาเขาดูเหมือนเป็นคนที่แบบดูน่าเห็นใจมากซึ่งก็น่าเห็นใจนะแต่เขาเป็นคนเกลียนมากคนหนึ่งอืช้าพานันโน้นนี่นั่นกับคนนั้นคนนี้ไปทั่ว น, นี้ต้องลองไปหาอ่านดูนะครับอืม แต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังมากในฐานะที่ที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักก็คือหนังสือชื่อ A Brief History of Time ค่ะซึ่งเขาเขียนหลังจากนั้นแล้วก็ในการเขียนหนังสือเล่ม น, นี้โอ้โหเขียนยากมากครับคือเอางี้การเขียนหนังสือมันยากมากคือกว่าจะเขียนได้อะคือคนไม่เคยเขียนไม่รู้นะคือผมเขียนหนังสือเนี่ย ม, มันทรมาน หาข้อมูลมานั่งแบบเรียบเรียงนั่งอะไรแล้วก็ต้องมีบรรณาธิการคึกกว่าจะเขียนออกมาได้มันใช้เวลามนุษย์ที่ต้องนั่งวิวแชร์เคลื่อนไหวร่างกายแทบไม่ได้พูดเนี่ยเสียงเบามากเบาตอนนั้นยังไม่ได้พูดไม่ได้นะพูดได้แต่เสียงเบามากแล้วก็ต้องมีนักศึกษาปริญญาเอกคอยมานั่งฟังว่าอูอาจารย์พูดอะไรครับเนี่ยต้องมาคอยจดพูดซ้ำๆหลายๆครั้งกว่าจะได้เป็นต้นฉบับออกมามคือนอกจากความยากในเชิงวิชาการเนี่ยมันมีความยากในเชิงข้อจํากัดของร่างกายใช่ แล้วบรรณาธิการเนี่ยก็พูดตรงๆเนอะก็บอกว่าใช้ ghostwriter ไหมแปะแค่ชื่อเข้าไปฮอ w k ิงสไม่ยอมฮอล k ิง g บอกผมต้องเขียนเองนะแต่บรรณาธิการคนนี้ถือว่ามีคุณอุปการมากนะเขาบอกฮอ w k ิงสว่าทุกครั้งที่คุณใส่สมการเข้าไปเนี่ยคนอ่านจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยฮอล k ิง g เลยตั้งเป้าว่าจะแบบใส่ให้น้อยที่สุดอะใส่ e เท่ากับ mc q u a อะไรพวกนี้สมการเอนโทรปีของหลุมดำอะไรเงี้ยใส่น้อยมากนะครับ แล้วบรรณาธิการคนนี้ก็ทําหน้าที่อ่านเ mm hmm. กา่า mm hmm. ผลงานของ h a w k ิงส์แทนคนทั่วไปพยายามถามแทนคนทั่วไป mm hmm. ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่เข้าใจอะเติมหน่อยอะไรเงี้ย mm hmm. นะครับ mm hmm. ตรงนี้ผมว่าเก่งมากเลยเพราะว่าในชีวิตของมนุษย์เนี่ยต่อให้คุณเก่งเป็นสุดยอดด้านไหนก็ตามคุณก็ยังต้องพึ่งคนอื่นที่เก่งในด้านอื่นๆมา mm hmm. อย่างบรรณาธิการที่เข้าใจผู้อ่านจริงๆ mm hmm. นะครับแล้วก็นักเขียนเองก็ต้องพึ่งบรรณาธิการเนาะ mm hmm. เพราะว่าเราสร้างผลงานมาแล้ว เราไม่อ่านมั่นใจได้ว่ามันดีเพราะเราทําออกมาเราก็รู้ว่ามันดีเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วแตจริงๆ ม, มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นมันต้องมีใครสักคนมาคอยเป็นกระจกให้เราตรงนี้ก็เป็นวิธีทํางานที่ผมว่ามันม น, น่าสนใจนะไม่แต่คุณฮอลคิงก์ก็ต้องพึ่งพาบรรณาธิการแล้วสุดท้ายเองหนังสือเล่มเนี้ย A Brief History of Time เนี่ยมันกลายเป็นอีกตํานานหนึ่งที่เขาสร้างไว้เลยใช่ไหมคะโอ้โหเพราะว่าพิมพ์ออกมาครั้งแรกก็ขายแบบระเบิดเถื่อเทิงติดชาร์จอยู่หลายเดือนเป็น ขายดีมากมและถ้านับถึงวันนี้นะฮะแปลแบบหลายภาษาสี่กว่าภาษา25้าล้านเล่มทั่วโลก<ะ>เป็นตำนานเพราะว่าผมเองเนี่ยมาสนใจฟิสิกส์หลักใหญ่ใจความและสาเหตุหนึ่งก็เพราะหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่ามันเป็นหนังสือป pop s i ที่อาจจะไม่ทำให้เราอ่านได้เข้าใจทุกอย่างแต่มัน<ะ>จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เราสงสัยใถร่รู้ในฟิสิกส์กในเอกภพในอนุภาค นะครับแล้วมันแบบเออมีฉบับแปลไทยนะผมก็อ่านแล้วก็โอ้โหเฮ้ยตอนนั้นอ่านตอนมัธยมสองก็แบบโหฟิสิกส์มันน่าสนใจเนาะเออแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอยากเรียนเหมือนกันตอนนั้นแม้ว่าที่บ้านอยากให้เรียนหมอเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากผมสอบหมอไม่ติดอยู่แล้วดังนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่มนี้มันต้องมันต้องมีดีของมันนะเออที่ทําให้ทุกคนแบบสนใจถามได้ไหมว่าแบบมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร A Brief History of Time เนี่ยเป็นเรื่องราวประวัติย่อแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ประวัติย่อของการเวลา ม, มันเหมือนเราเล่าถ้าผมเล่าประวัติของอ่านว่าลงจันทร์ก็ ป, ประวัติของมนุษย์คนหนึ่งประวัติย่อของโต๊ะตัวหนึ่งคือตอนแรกเป็นไม้เป็นอะไรกําเนิดมาให้มันแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดตั้งแต่ชื่อเลยคือประวัติย่อของเวลาเวลามันมีจุดกําเนิดด้วยเหรอแล้วมันมีประวัติของมันได้ยังไงอันนี้คือนะหลักใหญ่ใจความมันเล่าเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกพภพว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนอย่างไรเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างสัมพัทธภา พ, พพิเศษทั่วไป ทฤษฎีคอนดัมฟิลฟิสิกเชิองอนุภาคอะไรมาเป็นเ ค, เครื่องมือในการตอบคําถามของเอกภพได้นะหลักใจใจความอยู่ตรงนั้นซึ่งผมว่าเจ๋งมากทําให้คนสนใจฟิสิกเยอะมากแม้ว่าในช่วงแรกๆจะมีเสียงของนักวิจารณ์บอกว่าอะไรรู้ไหมปกปกฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะผมไม่มีนะเป็นรูปสตีเฟนฮอวกิงนั่งอยู่บนรถเข็นบลอเมิรเลยบนปก<ะ>แล้มีสมการอยู่ข้างหลัง<ะ>นักวิจารณ์บางคนก็บอกคนซื้อไปอะ่ะก็เพราะแบบหน้าเขียนเด่น ข้างในไม่ได้มีคุณค่าซัต oh. ย์ถ่าไหรอกมัง้งคือฝั่งเวลาวิจารเขาวิจารกันอะไรอย่างอยู่แล้วแล้วก็บางทีก็วิจารว่าแบบซื้อไปเขาก็ไม่อ่านหรอกมันก็เหมือนแบบซื้อไปให้แบบดูฉลาดเหมือนเหมือนไบเบิลที่ติดอยู่ในบ้านแต่คุณอ่านไหมอะอะไรเงี้ยโหทำวิจารณวิจารเละเลยแต่มันขายดีมากแล้วก็ทําให้คนสนใจที่สิ่เยอะมากๆหลายคนอาจไม่รู้นะครับว่าก่อนที่ h a w k ิงส์จะเขียนหนังสือ A Brief History of Time เสร็จเนี่ยในช่วงระหว่างที่เขากําลังเขียนหนังสืออยู่นั้นเนี่ย ฮอกกิ้งเนี่ยเกือบจะขิดไปเกือบจะตายอ่ะคือป่วยเป็นโรคปอดบวมแล้วครั้งนี้มันหนักมากแล้วคุณหมอเนี่ยแนะนำให้ทำการผ่าตัดหลอดลมคือเจาะช่องที่ค อ, อแล้วก็เพื่อให้การหายใจมันดำเนินต่อไปได้แต่ว่ากับคนทั่วไปเนี่ยนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ฮอกกิ้งเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงมากแล้วที่สำคัญคือเขาจะสูญเสียความสามารถในการพูดเลยจากที่พูดเสียงเบาอยู่แล้วครั้งนี้คือพูดไม่ได้เลยซึ่ง มนุษย์ที่เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วยังพูดไม่ได้อีกอ่ะมันมันทุกทรมานเกินกว่าที่ที่คนคนหนึ่งน่าจะรับได้คุณหมอก็มีการเสนอให้ทำการุุยาคาตเลยนะ อ, อันนี้ดราม่ามา ก, มาก<ะ>แต่คนที่ตัดสินใจก็คือคุณเจนวายหรือภรรยาของเขาพยายามจะยื้อชีวิตฮอว์กิงทุกวิถีทาง<ะ>ก็คือโอเคเจาะ ก, ก็เจาะแล้วก็เอาชีวิตของฮอว์กิงไว้ก่อนอนะครับพอเจาะแล้วฮอว ก, กิงมีชีวิตรอด ฮอวกิงเนี่ยในช่วงนั้นพูดไม่ได้เลยอะ่ะคือทรมานจนคิดจะคิดจะฆ่าตัวตายคือแบบมันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะพูดก็ไม่ได้สื่อสารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าฮอว์กิ้งเนี่ยนะตั้งแต่เป็นโรคเอลเอสเนี่ยทฤษฎีต่างๆหรือวิธีการสร้างทฤษฎีวิศวิศเนี่ยเขาวิจัสร้างวิธีคิดในแบบของเขาขึ้นมานะครับก็คือเป็นวิธีคิดสร้างเป็นภาพซึ่งเหมือนมนุษย์คนอื่นหรือนักวิศวิศคนอื่นทําไม่ได้เขาจะมีวิธีคิดของเขาซึ่งแบบ คนปกติก็เขียนสมการหรือค่อยๆ ค, ค, คิดเป็นสเต็ปแต่ Hawk กิ้งมีมวิธีคิดในแบบของเขาฮอว์ k i n g ก็เคยพูดมองโลกในแง่ผมว่ามองโลกในแง่ดีมากนะว่าผมเองก็โชคดีเหมือนกันที่เป็นโลกนี้ทำให้ผมสร้างวิธีคิดในแบบของผมขึ้นมาได้<ม>แล้วก็ม น, นุษย์ทั่วไปที่อาจจะเป็นนักวิทยาสต ร, ร์คนอื่นก็ต้องทําสิ่งต่างๆเนาะแต่ผมเนี่ยไม่ต้องคอยวุ่นวายกับเรื่องต่างๆในบ้านก็คิดมุ่งไปทางวิทยาสตร์โฟกัสได้อย่างเดียวเลยคือต้องไปทางวิทยาสตร์อย่างเดียวบวกมากบวกนะอ่ะและทีเนี้ยแต่ครั้ง พูดก็ไม่ได้มันแบบหนักมากอย่างดีก็ยักคิ้วหรือขยับได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยโชคดีมากคือมีคนเอาอซอฟต์แวร์กับเป็นคอมพิวเตอร์หน้าจอตัวหนึ่งมาให้ฮอล k ิงเนี่ยใช้ในการสื่อสารคือฮอลคิงเนี่ยจะขยับร่างกายเล็กน้อยของเขาเพื่อเลือกคำแล้วก็มีระบบเดาคำที่ดีมาก ทำให้ฮอวกิงผสมคําขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเสียงสังเคราะห์เป็นเสียงหุ่นยนต์ออกมาได้คือทําให้เขาสื่อสารกับคนอื่นได้ถึงแม้ว่าจะขยับอะไรได้นิดน้อยมากใช่และคราวนี้ฮอว์กิงพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยไปไปมาม า, มาด้วยซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยเขาพูดได้เร็วกว่าตอนแบบพูดด้วยเสียงตัวเองซ<อ>ะอีกแล้วเขาชอบเสียงนี้ด้วยชอบแบบเสียงหุ่นยนต์เนี้ยคือมีการอัปเกรดระบบเปลี่ยนเสียงใหม่อะไรขึ้นมาเขาก็ไม่เปลี่ยนนะเขาชอบแบบที่มันเป็นเสียงหุ่นยนต์เราลองไปหาฟังดูเขาใช้มาเรื่อยๆเลย ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็โด่งดังจากการที่เขามีบุคลิกภาพที่นั่งวิวแชร์แล้วก็มีเสียงคนยนต์แบบนี้แต่ที่นี่มาถึงชีวิตส่วนตัวเนี่ย การดูแลฮอลคิงของคุณเจนวายซึ่งเป็นภรรยามันเป็นเรื่องที่หนัก อ, อย่างที่เกล่นไว้นะครับหนักแค่ไหนลองนึกภาพนะหน้าที่ภรรยาก็ต้องทำผู้ช่วยก็ต้องทำพยาบาลก็ต้องทำแล้วฮอลคิงมีลูกกับคุณเจนวาย3คนแม่ก็ต้องเลี้ย ง, ยงคือทําไม่รับจริงอะ มันมันมันยากมากนะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงแค่ว่าโอเคเรามีผู้สูงอายุหนึ่งคนที่ตามตามสังขารทั่วไปของชีวิตคนน่ะการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนยากเป็นงานที่หนักแล้วแต่อันเนี้ยทั้งหนักกว่านั้นอีกแล้วทุนเจนวต้องต้องต้องต้องหยุดเรียนคือความฝันเขาพยายามเรียนจบวรรณกรรมนะก็ต้อง d r o เรียนอ่ะต้องหยุดอ่ะเพื่อมาดูแลฮอกกิ้งเต็มเวลาแม้ว่าในภายหลังเขาจะมีเวลามาเรียนจนจบนะแต่ว่าคือช่วงนั้นอ่ะชีวิตของทุนเจนวามันเหมือนกับเชือกที่ บิดจนนั่นแล้วแบบมันพร้อมจะขาดตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเจนวายมีชีวิตต่อได้คือระบายออกไปได้ก็คือความเชื่อทางาศาสนานะพูดตรงๆก็คือคุณเจนวายเนี่ยก็เข้าโบสไปแล้วก็เป็นนักร้องประสานเสียงนะครับก็ทำให้เขาแบบเข้าถึงจิตวิญญาณอะไรพวกนี<ฆ>นะ้แต่มันก็ยิ่งระหองระแหงกับฮาวกิ้งในระดับหนึ่งนะเพราะฮากิ้งเนี่ยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อในะ เคยยินใช่ไหมในหนังบอกใช่ไหมคือเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบรอยที่มันปริกขึ้นมานิดนึงแล้วพอไปอยู่ในการเป็นคอรัสหรือนักร้องประสานเสียงในโบสเนี่ยคุณเจนวายก็ไปเจอกับนักร้องประสานเสียงคนหนึ่งชื่อคุณโจนาธานซึ่งคุณโจนาธานเป็นผู้ชายที่ตรงกับคุณเจนวายหลายอย่างแล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้าเนาะโจนาธานเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของคุณเจนวายแล้วก็มาอาสามาช่วยงานในบ้านดูแล ค, คุณฮอลกิงด้วย ช่วงแรกๆความสัมพันธ์มันซับซ้อนมากเลยกลายเป็นอยู่สามคนฮอกกิ n งก็โอเคด้วยที่คุณเจนวแบบรักใครอีกคนมาซัพพอร์ตแต่ตอนแรกๆก็เป็นเพื่อนที่แบบอาจจะมากกว่าเพื่อนสักหน่อยฮอกกิ้งก็โอเคตามใดที่คุณเจนวยังรักฮอกกิ n งอยูนะ่ก็อยู่กันสามคนเออนะแต่ทีนี้ชีวิตนะฮะมันเดินมาถึงจุดที่พร้อมจะเบียดขึ้นไปอีก<ม>คุณฮอกกิงอาการหนักมากคราวน<ม>ี้หนัก<ม>จนกระทั่งแบบ คุณเจนไวเอาไม่อยู่แล้วคุณฮอ w k กิ้งเนี่ยต้องการพยาบาลมาดูแลแบบแทบจะตลอดเวลาแล้วซึ่งพยาบาลส่วนตัวคนนี้มีบทบาทมากๆก็คุณคุณอีเลนเมสันเป็นผู้หญิงที่มีผมสีแดงนะครับกระเริงนะก็มาดูแลคุณฮอ w k กิ้งทีนี้มาดูแลตลอดเวลาเนี่ยก็มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันคุยกันก็สนุกสนานกันฮอ w k กิ้งโด่งดังแล้วไงก็ไปบรรยายที่โน่นที่นั่นคุณ อีลันเมสันก็ตามไปตลอดอก็สนิทชิดเชื้อกันเข้าไปอีกได้อยู่ทั้งในชีวิตที่บ้านแล้วก็การทำงานออกไป<อ>ข้างนอกใกล้ชิดเลยใช่สนิทน่าจะมากกว่าภรรยาแล้วแล้วมันก็สร้างความตึงเครียดให้กับคุณเจนวายที่เป็นภรรยาจริงๆที่บ้านนะในที่สุดชีวิตคู่ก็ต้องเลิกลากันหลงนะครับ คุณสตีเฟนฮอว์กิงก็แต่งงานกับพยาบาลคนนี้นะครับส่วนคุณเจนไวก็ไปแต่งกับคุณจนตานชีวิตเขาก็แฮปปี้แบบมมมไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องออกอะไรมากแม้ว่าคุณฮอว์กิ้งจะอยู่กับภรยาคนคนใหม่เนี่ยก็อยู่ได้11บเอ็ปีก็เลือกรากันด้วยสาเหตุที่ก็ เ, เป็นข่าวก็สิบกันเยอะนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สาระสําสคัญของชีวิตเข า, าแต่ทีนี้โอเคชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเนะาะแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนกับศึกษาฟิสิกส์ต่อไปใช่ ยังไม่ได้หยุดเรื่องนี้ชีวิตในทางวิชาการหรือว่าสิ่งที่เขาหลงไหลในเอกภพเนี่ยมันก็ยังเดินหน้าต่อใช่ไหมคะเดินหน้าต่อแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็บรรยายให้กับคนทั่วไปมากขึ้น ม, มีการบรรยายสู่ฮอลใหญ่มากคือมาเลยนะ<า>เหมือนแบบปิดเมืองทองบรรยายอะไรแบบเนี้นะแล้วก็โอ้โหมีการไปบรรยายให้กับธรรมเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีคุณบิลคลินตันไปปรากฏตัวไปญี่ปุ่นไปนั่งชิงคันเซนไปอะไรพวกนี้ซึ่งญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ฮอคกิ้งชอบมากนะนะฮะ แล้ว h a w k i ิ้เนี่ยก็เคยขึ้นสู่ทเที่ยวบินซีโ o จก็คือทเที่ยวบินที่เป็นเครื่องบินที่มันทิ้งตัวลงมาแล้วก็กลายเป็นสภาวะไรหน้มถ่วงอเ น, องนี่ยเนี่ยเขาเคยเห็นใช่ไหมฮะเออไปอยู่ในสภาวะนั้นนะ่ะแล้วระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับกิ้เนี่ยก็เขียนหนังสือออกมาเยอะแยะเลย แลแต่ละเล่มก็ดังอ่ะยูนิเวอร์ซิ s ี้นัอย่างเงี้ยเราบัดย่อของเอกภกพอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งแบบดังมากเล่มนี้ก็ภาพสวยมากผมก็อ่านแล้วก็โอ้หูิหน้าเรียนจังเลยพีสิทธิ์แล้ว h a w k ิงส์เนี่ยก็เคยไปปรากฏในหนังเรื่อง Star Trek ด้วยนะ ม, มันมีอยู่ช็อตนึงเหมือนนั่งเหมือนนั่ ง, นนงคุยกับล่ง เ, เล่นไพ่โป๊กเกอร์กับ iSa ซคนิวตันไอสตา์แล้วมีห<อ>ุ่นยนต์ Android เล่นอยู่อะไรเนี้ย<อ>คือโด่งดังมากในพ pop culture แล้วก็หลังๆช่วงชีวิตช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มอยู่ในวัยชราก็มีการแสดงความเห็นเรื่องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะโดนวิจารณ์เยอะนะบางทีเขาว่าเขานูนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แต่ก็เขาก็มีความเห็นในแบบของเขาแล้วก็มีส่วนอย่างยิ่งในการผลักดันโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เยอะเลยนะครับก็เป็นเป็นตำนานบทหนึ่งของโลกฟิสิกส์กัลจันทร์แล้วก็ประโยคสุดท้ายในหนังในหนังสือชื่อ A Brief History of Time ก็ชวนตีความเพราะฮอวกิงเนี่ย แสดงเขาใชแสดงความเห็นไว้ว่าถ้าในอนาคต Theory of Everything หรือทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งที่อธิบายทุกสิ่งในโลกฟิสิกส์ถูกสร้างขึ้นมาได้มันอาจจะทำให้มนุษยาชาติเข้าใจจิตใจของพระเจ้าได้ซึ่งคำนี้มันน่าคิดว่าคุณฮอวกิงเนี่ยมองพระเจ้าในรูปแบบไหนเขาแอบเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงในแบบของศาสนาหรือเปล่านะหรือ จริงๆแล้วพระเจ้าในแบบของเขาก็คือกฎธรรมชาติที่สร้างเอกรพบขึ้นมานแม้ว่าทุกคนจะเชื่อว่าเป็นอย่างหลังกันนะแต่ว่าแน่นอนการตีความมันไร้ที่สิ้นสุดและหนังสือเล่มนี้มันก็เลยขายดีเพราะมันเข้าได้กับทั้งที่ผู้ที่เชื่อในอพระเจ้าแล้วก็ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่อย่างที่บอกครับมนุษย์เราตอนนี้ยังเหลือปัญหาอีกมากมายในทางฟิสิกส์ที่ยังแก้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ฮอลคิงเหมือนจะมีส่วนสร้างขึ้นมาหลักๆเลยก็คือ Black โฮลอินฟอร์เมชันลอสพาราด็อก เมื่อกี้ฟังว่าน่าสนใจที่พูดถึงเรื่องของการตีความก๊อสพี่ลองแปลงว่าอ่านแวบๆเนี่ยว่าเขาให้สัมภาษณ์ในรายการหรืออะไรสักอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าถ้าเราโอเคเราจะเรียก love of science หรือว่ากฎทางวิทยาศาสตร์แปลงอย่างนี้ได้ไหมคะว่ากอสก็ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่กอสในรูปแบบที่คุณจะพูดคุยถามคําถามหรือว่าอะไรได้อะไรเงี้ยฟังรู้สึกว่ามันมันมันเปิดกว้างที่ทําให้เราเห็นการตีความว่าความยิ่งใหญ่ของเอกภพหรือว่า คนที่เป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการตีความของเขาใช่มันเปิดเปิดช่องว่างให้ให้เราได้คิดต่ออีกเยอะแยะเลยนี่ผมชอบฮอว์กิ้งมากเหมือนกันนะคือนอกจากจะอ่านหนังสือแล้วเนี่ยนี่ผมมีนี่ด้วยอยากให้ดูเนี่ยออกมาตั้งแต่เรื่องาันกันเลยอันนี้เป็นเป็นเหรียญของฮอว์กิ้งคือเป็นเหรียญกระสาบนะคือใช้ใช้ใช้จับใจซื้อของได้จริงก็อังกฤษก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นทริบิวเป็นที่ระลึกเป็นเขาเรียก เหรียญที่ระลึกของคุณฮอว์กิ้งตอนนี้ก็จะเขียนสเตเฟนฮอว์กิ้งแล้วมีรูปหลุมดําอยู่นะครับแล้วข้างในนี่ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งจะเป็นรูปควีนอลิซาเบ็ตฟังว่าเท่มากข้างในมันเหมือนมีอธิบายด้วยแบบทฤษฎีสิ่งต่างๆที่เขาคิดอะไรเงี้ยเมื่อกี้แอบเปิดใช่ใเจ๋งไหมเจ๋งมากถ้าถ้าเราดูอย่างเงี้ยแปลว่าเขาแบบโคตรยิ่งใหญ่และโคตรโคตรเป็นตำนานอะพี่สําหรับพี่ป๋องแปงคิดว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเขาทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ ทิ้งอะไรไว้ให้เราได้ไดฉุบคิดกันต่อบ่าก็อย่างที่บอกนะหลักๆเลยก็ทิ้งปัญหาใหญ่ในทางฟิสิกส์ให้เราได้ขบคิดต่อแต่ที่สําคัญที่สุดจริงๆผมคิดว่าเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจฟิสิกส์ทำให้เด็กสักคนหนึ่งในประเทศไทยอย่างผมเนี่ยได้สนใจฟิสิกส์แล้วผมสนใจฟิสิกส์ผมก็เรียนฟิสิกส์ผมเรียนฟิสิกส์ผมก็ได้มาทํารายการเนี้ยอืคิดดูมันผมว่ามันยิ่งใหญ่มากหนังสือของเขาผลงานของเขา แล้วก็การใช้ชีวิตของเขาก็บางครั้งผมก็รู้สึกว่างานมันหนักจังเลยชีวิตหรือไม่มีงานทําเลย<ะ>งานไม่มีเลยรู้สึกเหนื่อยท้ออะไรบางทีฮอว์กิง้งเขาเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ชีวิตได้เหมือนกันว่าเออเขาสามารถใช้ชีวิตฟันฝากมาได้ขนาดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นไฟแห่งการใช้ชีวิตให้กับคนทั้งโลกได้เหมือนกันเพราะว่าน่าสนใจมากประโยคเมื่อกี้ที่พี่ป๋องแปงพูดว่าเขาทิ้ง ปัญหาไว้ให้ขบคิดกันต่อเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟังว่าปัญหาที่เขาทิ้งมันก็นําไปสู่ปัญญาใหม่ๆที่นักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ได้คิดต่อยอดรวมถึงปัญหาชีวิตเขาอะที่เราคุยคุยกันมามันก็เป็นปัญญานะในการที่จะทําให้เราเห็ น, นการใช้ชีวิตที่แบบมันมีคุณค่าและมีความหมายคนลุกเหมือนกันชอบเขามากเลยเหมือนกันนะคะที่ได้ฟังในเรื่องวันนี้คิดว่าพอจบตอนวันนี้แล้วอะทุกคนน่าจะตอบคําถามที่ฟังได้ลองตั้งต้นไว้เนาะว่า ข้อจำกัดทางร่างกายการขยับขยื่นต่างๆไม่ได้ตามที่เราควบคุมได้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้าศึกษาหรือว่าสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของเอกภพหรือเปล่า คุณอาจจะมีคำตอบนี้อยู่ในใจของคุณตอนที่ดูรายการของเราจบนะคะก็ขอฝากติดตามนะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้ในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์และที่สำคัญนะคะไม่พลาดตอนใหม่ของเรากด Subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนลวเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears